คนเรานะถ้าปรารถนาความสุขความเจริญความสงบเด็นในชีวิตเนี่ยจำเป็นมากเลยนะที่ต้องสร้างความรู้สึกตัวหรือตัวรู้นี่ให้เกิดมีมากขึ้นมากขึ้นผู้เจ้าเคยตรัสว่าบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวอกุศลธรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ คือความตั้งมั่นไม่อันตราธานไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัจธรรมพระสัธรรมก็คือสัจธรรมหรือว่ากุศลธรรมที่งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจของเราแต่ว่าการที่ความสึกตัวจะจะโดยงอกงามได้เนี่ยมันต้องสร้างขึ้นนะหรือว่าต้องเพิ่มเพิ่มผูเชิมากขึ้นเพราะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยความหลงมันคลองใจเหมือนกับถ้าเปรียบติตใจก็เหมือนกับห้องที่มันมืดสลัวสลวหรือบางทีก็มืดสนิทนะแต่ถ้ามืดสนิทนี่ก็คงที่เราเป็นคนบ้าหรือว่าคนคุ้มคลั่งไปแล้วคือไม่มีความรู้สึกตัวเหลือแม้แต่น้อยนี่ก็อันนี้เราคงจะไม่มีสัมปริย ด, ดีแล้วแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ห้องของใจนะมันก็มีลักษณะสะลัวสลวเหมือนกับมีเทียนอยู่ เล่มสองเล่มปักอยู่กลางห้องและความมืดนี่มันคอยนะก็จะคอยมาครอบงำทําให้เทียนเนี่ยมันดับไปให้มากที่ดได้พูดไปแล้วว่าตัวรู้กับตัวหลงนี่มันขับเคี่ยวกันตัวหลงก็พยายามที่จะคลองจิตครองใจและทําให้ตัวรู้เนี่ยมันหมดไปทีรนนิดทีรนนิตเห็นถ้าเรา เป็นความสําคัญของการสร้างความรู้สึกตัวเห็นความจําเป็นของการเพิ่มพูนตัวรู้ให้มากขึ้นเนี่ยก็จะต้องหาทางปัดเป่าตัวหลงให้หมดไปที่จริงไม่ต้องทําอะไรกับตัวหลงนะเพียงแค่เพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นเนี่ยมันก็พอแล้วละ่ะเมื่อก็ความมืดเนี่ยเราไม่ต้องไล่มาหรอกเพียงแต่เราเพิ่มความสว่างให้มากขึ้นความมืดมันก็หายเอง อย่ า, าก็ตามตัวหลงเนี่ยนะเนื่องจากมันอย่างที่ตมาบอกไว้แล้วว่ามันเป็นนักฉลีวยวิกาสนะมันฉลาดมากก็จําเป็นที่เราต้องรู้ธรรมชาติรู้นิสัยรู้อุบายของตัวหลงเพราะถ้าเราไม่รู้ธรรมชาติไม่รู้นิสัยนะเราก็อาจจะโดนตัวหลงเล่นงานนะตัวรู้ที่สร้างขึ้นสร้างขึ้นก็หดหายไปเพราะว่าเพราะ ปลอให้ตัวหลงเข้ามาครอบงาความเป็นนักเฉลี่กลางตัวหลงนี่เราก็คงจะเห็นแล้วนะแม้แต่เวลาเรามาวัดตั้งใจจะมาเพิ่มความรู้สึกตัวแต่ก็โดนความหลงมันเล่นงานขณะยกมือสร้างจังหวะเพื่อสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นเรื่องโดนตัวหลงเข้าไปเล่นงานครอบงาจิตใจ เดินจงกรมก็เหมือนกันฟังธรรมะบางทีใจก็ลอยตัวหลงมันดึงจิต ด, ดึงใจไปอุบายอย่างหนึ่งนะของตัวหลงก็คือว่ามันพยายามที่จะดึงจิตเราออกไปนอกตัวที่เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยเพราะว่าถ้าดึงเจือไปนอกตัวเมื่อไรเนี่ยการที่เราจะหันกลับมามองตนแล้วก็เห็นหรือรู้ว่ากําลังหลงอยู่เนี่ย มันก็เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากเรื่องที่บอกไว้ล้ ว, ว่าตัวหลงเนี่ยมันก็คอยชักนําเอาตัวอกุศลธรรมเนี่ยขึ้นมาเข้ม า, ขมามาครอบงําใจเช่นความกรวัวความเศร้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับใจครอบงําใจเมื่อไหร่ก็หลงลืมตัวแล้วยิ่งลืมตัวมาเท่าไหร่เนี่ยนะหรือหลงมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็อารมณ์นี้อารมณ์เหล่านี้ก็เข้ม า, ขมามาครอบงํามากขึ้นสังเกตมไหมเวลาเราโกรธเนี่ย ใจเร า, าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะไปพุ่งตรงอยู่กับตรงไปที่บุคคลสิ่งของ mm hmm. เหตุการณ์ที่ทำให้เราโกโรธนะที่ทำให้เราไม่พอใจมันจะพุ่งไปเลยทันทีหรือถ้าเป็นเรื่องในอดีตนะจิตมันก็จะพุ่งไปนะจมอยู่กับเรื่องในอดีตอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันส่งออกนอกนะความหลงเนี่ยมันรู้ว่า เมื่อจะก็ตามที่เรากลับมามองตนเราก็จะเห็นมันแล้วสิ่งที่มันกลัวที่สุดก็คือกลัวถูกเห็นถูกรู้เหมือนโจร น, นะที่มันหรือขอโมยที่แอบเข้ามาในบ้านมันกลัวเจ้าของบ้านเห็นเจ้าของบ้านไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่ศบตามันหรือเพียงแค่จะเอมันเท่านั้นแหละมันก็หนีไปมันมีคนที่ อแอบเข้ามาในวัดนะบางทีก็มาตีพึ่งบางทีก็มาแต่ก่อนมีสัตว์นะก็มาล่าสัตว์มีไม้ก็มาตัดไม้หรือว่ามาขโมยสมุนไพรซึ่งมีราคาอเวลาพระออกไปตามหาป้อยได้ข่าวว่ามีคนแอบเข้ามาทําสิ่งที่ว่าเนี่ยพวกนี้แล้วพระเราไม่ต้องทําอะไรมากแล้วนะเพียงแค่ ไปเจอหน้าเขาท่า น, นล่ะเขาก็หนีไปเลยเขาหนีไปทันทีเพรากลัวกลัวพระเห็นอารมณ์อกุศลหลงในความหลงก็เหมือนกันนะมันกลัวกลัวถูกรูก้ถูกเห็นแล้วมันพยายามทําให้ดึงจิตออกไปนอกตัวเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยกลับมามองเห็นนะว่าความหลงหรืออกุศลล้จิตมันคลองใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้า หรือความอยากพวกนี้เป็นอารมณ์กุศลกันนะเวลาเราเศร้าก็เหมือนกันนะเราก็จะจิตเราก็จะส่งออกไปข้างนอกนะไปย้ำคิดย้ำนึกถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วหรือคําพูดการกระทําของใครบางคนที่มันทําให้ตอกย้ําซ้ําเติมความเศร้าอุบายอย่างที่สองนะของความหลงและอกุศลแลรทำเนี่ยก็คือว่า มันพยายามที่จะบังคับหรือบงการติดใจเพื่อที่จะเพิ่มพูนกำลังวังชัยใ้กับมันมันจะพยายามที่จะเพิ่มกำลังให้มากขึ้นนะเหมือนกับถ้าเป็นริงมีชีวิตก็พยายามแพร่พันธุ์แล้วก็พยายามที่จะอยู่รอดใช้ได้เรานึกถึงไวรัสเนี่ยเวลาไวรัสเนี่ยมันเข้ามาในร่างกายเนี่ย อย่างแรกที่มันทําคือมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของเราและมันก็จะบังคับหรือว่าบงการให้เซลล์เนี่ยผลิตไวรัสแบบเดียวกับมันให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอัดนน่นเต็มเซลล์จนกระทั่งเซลล์มันระเบิดแตกออกไปแล้วมันก็กระจายไปสู่ไปตามเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปในเซลล์แล้วก็สั่งให้เซลล์เนี่ยสร้างตัวมันขึ้นมา มะเร็งก็เหมือนกันในะเวลามะเร็งมันเข้าไปในร่างกายเราก็จะต้องพยายามทําต้องพยายามที่จะแพร่กระจายให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะอยู่รอดให้ได้แล้วก็ดูให้แบให้ได้ดีด้วยเส้นเลือดต่างๆนัที่เคยเลี้ยงอวัยวะส่วนที่ดีมันก็ดึงออกมาเพื่อมาเลี้ยงตัวมันให้ใหญ่ขึ้นใ ห, ใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเอาเส้นเลือดทั้งหลายเนี่ยนะมาเลี้ยงมันตัวมันเองหมดเลยอารมณ์เอาคือสวยขึ้นเหมือนกันนะ เวลามันคลองใจเรามันก็พยายามที่จะสร้างตัวมันให้เติบใหญ่นะมีกำลังมีอนุภาพมากขึ้นด้วยการบ่งการติดทำยังไงก็สั่งให้ติดเราเนี่ยไปนึกถึงเหตุการณ์ที่มันช่วยทำให้เกิดความโกรธมากขึ้นเกิดความเศร้ามากขึ้นเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราจะใจมันจะไปขุดคุย้ยเอาความไม่ดีของเขา ทั้งที่เคยทำกับเราหรือเคยทำกับคนอื่นเพื่อจะเป็นการเติมเชื้อเติมนะเติมฟืนให้กับความโกรธให้มันโกรธมากขึ้นโกรธมากขึ้นเวลาเศร้าเนี่ยนะเศร้าเป็นเพราะว่าเรื่องแล้รก็ตามเนี่ยมันก็จะไปขุดคุ้ยเรื่องต่างๆที่มาทำให้เศร้ามากขึ้นเศร้ามากขึ้นบางทีมันทำให้เราเกิดความรู้สึกสมเพศตัวเองทำไมฉันเป็นคนเคาะร้ายแบบนี้ทำไมไม่มีใคร เ็นคุณค่าของฉันเลยนะมันจะไปขุดเอาเรื่องต่างๆขึ้นมาตอกย้ำซ้าเติมให้เราสึกแยกกับตัวเองมากขึ้นอันนี้เป็นอุบาทของมันเลยและวิธีนี้คือการพยายามสันทายเหตุผลเพื่อมาลองรับว่าทำไมฉันต้องโกรธทำไมฉันต้องเศร้าตัวหลงนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุผลนะมันก็สันทายเหตุผลมาเหมือนกันทำไมต้องโกรธทาไมต้องเศร้ายิ่ง เวลามันต้องการระบายความโกรธใส่ใครมันก็จะหาเหตุผลว่าสมัยต้องทําเช่นเพื่อสั่งสอนไอ้คนแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องจัดการต้องดา่ามันต้องต่อยมันนะอย่างที่เราเห็นคลิปวีดีโอเนี่ยคนที่ชื่อ น, น็อดเขาก็ต่อยคนที่ชนท้ายรถเขาเนี่ยแล้วก็พูดสมัยทําไมต้องหนีทําไมต้องหนีเหมือนกับต้องการให้เหตุผลมารองรับว่าเนี่ย นะที่ฉันโกรธแกที่ฉันต่อยแกเนี่ยเพราะว่าเพื่อเพราะแกเป็นคนที่นะไม่มีมารยาทนะเป็นคนที่มีพฤติกรรมน่ารังเกียจชนและหนีต้องจัดการต้องสั่งสอนแม่ฉันให้ผลมารองรับนะความโกรธสนาเหตุผลมารองรับความเศร้าบางทีร้องไห้คนรักตายจากก็ร้องไห้ฟูมฟายพยายามนึกถึงเรื่องที่เศร้าๆเาพออราะหลายเพราะว่า ถ้าไม่เศร้าถ้าไม่ร้องไห้แสงว่าเราไม่รักเขาน่ามันก็มีเหตุผลมาลองรักนะหลายคนต้องพยายามต้องพยายามม่เรียกว่าอะไรบีบน้ำตาออกมาเพราะว่าไม่งั้นกลัวว่ามันจะแสดงว่าเราไม่รักเขาถ้าเรารักเขาเราต้องต้องต้องร้องไห้ต้องคิดถึงเขา บ, าบา่อยๆถ้าไม่คิดถึงเขา บ, าบา่อยๆแสดงว่าเราไม่รักเขา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณอันนี้แหละเป็นอุบายของความหลงที่มันคอยที่จะบงการจิตของเราเพื่อทำให้มันเนี่ยเติบใหญ่แล้วครองใจเรามากขึ้นมันจะได้อยู่ได้นานๆไงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็เหมือนกันนะมันก็ต้องพยายามที่จะอยู่รอดให้ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้ด้วยดีด้ว ย, วยนะอารมณ์วันที่มันเหมนก็สิ่งมีชีวิตนะมันก็พยายามที่จะ ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวมันเนี่ยนะเติบใหญ่แล้วก็แผ่พันไปได้ไกลไกลแม่ทำทุบแมสั่งให้เราทําทุกอย่างนะเพื่อที่เราจะได้จมอยู่ออกับความอยู่ในอารมณ์นั้นบางทีเราโกรธใครนะเรากลัวว่าจะหายเรากลวัวจะลืมโกรธเขานะต้องตอกย้ำเช่นมีการสักนะสักไว้ที่หน้าสักไว้ที่แขนบ้งนะเขียนชื่อติดไว้ที่กระจกนะ กระจกกระจกในห้องน้ำมั้งแหละเพื่อจะเตือนย้ำว่าไอ้นี่มันเลวต้องกลวดมันต่อไปเวลาเศร้าเนี่ยเราอยากฟังเพลงกันแหละอยากฟังเพลงสนุกเ็บาปไม่อยากเราอยากฟังเพลงเศร้าเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อให้เศร้าหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรมันสั่งความเศร้ามันสั่ง มันสั่งใจเราว่าให้เปิดแต่เพลงเศร้าๆนะมันจะได้อยู่ครองจิตใจเราไปนานๆอันนี้คืออุบายของมันและสุดท้ายนี่มันก็จะบงการให้เราเนี่ยคอยปกปักรักษามันไม่ให้มันเนี่ยเรียกว่าอ่อนแรงเช่นสมมติเวลาเราโกรธนะเราโกรธใครเนี่ยเกิดมีคนมาแนะนำเราว่าให้อภัยเขาไปเถอะ ความโกมรธนะมสั่งให้เราเล่นงานคนที่แนะนำไม่สั่งให้เราเล่นงานคนที่แนะนำเพราะว่าถ้าเราเชื่อตามคำแนะนำของเขาเนี่ยไอ้ความโกรธมันก็จะค่อยสลายหายไปนะเพราะว่าถ้าเราให้อภยัยนะความโกรธมันก็จืดจางลงไปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นห่วงแม่แม่ยุคเ็7สิบกว่าแล้ว แม่เป็นคนที่นิสัยดีมีเมตตาแต่เวลาพูดหรือนึกถึงใครหรือคนคนนึงเนี่ยจะโกรธมากเลยเหมือนกับเปลี่ยนนิสัยไปเลยความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนนิสัยคนได้นะพอนึกถึงคนที่ก็จะโกรธเพราะว่าเนระคุณอุตส่าห์ช่วยยังเยอะแยะเนระคุณลูกก็กลัวว่าแม่เนี่ยจะ วันหนึ่งสักวันอาจจะเส้นเลืในสมองแตกหรือกลัวว่าแม่จะไปอบบายถ้าเกิดว่าตายตอนที่ยังมีความโกรธความพียาบาทขาดใจอยู่ก็พยายามนะพยายามขอร้องว่าแม่ให้ภัยก็ไปเธอเรื่องมันก็นานไปแล้วยี่สิบสาสิบปีไม่ใช่เพิ่งเกิดนะยี่สิบสามสิบปีแล้วแม่เนีโกรธแม่นี้กลับโกรธลูก ราวก็ว่าลูกเนี่ยพยายามจะแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่ให้ความโกรธนี่มันน่าห่วงน่าแหนที่ไหนเออถ้าลูกเนี่ยพยายามเอาที่ดินเอาเงินทองเอาเพชรเอาพลอยไปจากแม่เนี่ยก็น่าโกรธนะแต่ลูกเนี่ยพยายามแนะนำเพื่อแม่เนี่ยจะได้หายโกรธนะไม่ถูกความโกรธครองใจความโกรธมันสั่งให้แม่ด่าลูกเลย สั่งให้แม่ด่าลูกก็กลายเป็นว่าแม่นี่นะกลายเป็นองค์ครัภ์พิทักความโกรธไปซะแล้วทาทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความโกรธมันยังคลองใจอยู่ความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลาเศร้าเนี่ยนะถ้าเราเพียงแต่ออกไปไปเที่ยวบ้างนะไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างความเศร้าก็จะคี่คลายลง แต่ความโกรวมันจะความเศร้าม<ป>ันจะสั่งว่าสั่งเราว่าอย่าทํำนะอย่าทําให้นั่งเจ้าจุกต่อไปให้นึกถึงเรื่องที่เศร้าต่อไปความเศร้าไม่ได้คลองใจเราได้นานไม่ได้หลงต่อไปแล้วเวลาใครมาชวนให้เราไปเที่ยวเนี่ยบางทีไม่พอใจนะเพื่อจะมาคนหนึ่งนะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเธอก็ชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายนี่เขาก็ไม่ได้มีใจให้เธอ จดหมายที่เธอได้รับนี่มันเหมือนกับบ่งบอกเป็นในว่าก็แค่คบกันแบบเพื่อนเธออ่านจดหมายเสร็จเธอก็เศร้าซึมเสียใจก็พอดีนะมีเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยสี่ห้าคนไม่ใหญ่กลุ่มไม่กลุ่มไม่ใหญ่สี่ห้าคนมาหาเธอที่บ้านแล้วก็กดกิง่งแล้วก็เรียกเธอชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเธอชุนขึ้นมาใน ใ, นใจเลยนะนึกขึ้นมาใน ใ, นใจว่าเนี่ย ที่จะสุขก็ไม่สมหวังนะที่จะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกนะความเศร้าบอกว่าเฮ้ยแกต้องเศร้าต่อไปนะแกอย่าไปเที่ยวนะแกต้องเศร้าต่อไปแล้วเราก็เชื่อนะเราก็ยอมกลายเมื่อเราหวงแหนความเศร้าเราหวงแหนความโกรธทั้งที่มันน่าหวงแหนที่ไหนไอ้ความโกรธความเศร้าแต่พอเราหลงไงเราหลงเราลืมตัว มันก็เลยบงการจิตใจเรานะี่เป็นอูบายนะอูบายที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ทันนะของความหลงนะแตวิธีการอย่างและธรรมชาติของมันอีกอย่างหนึ่งนะคือมันดื้อด้านมากเลยมันดื้อมากเนะี่ยเวลาโกรธเวลาเศร้าเนี่ยยิ่งเราพยายามกดข่มมันเท่าไหร่นะมันกับยิ่งมีกําลังมันกับยิ่งมีอานาจมากขึ้น ลองดูสิเนะความโกรธความเศร้าเนี่ยหรืออารมณ์ใดก็ตามเนี่ยความอยากก็ได้เวลาพยายามกดข่มมันเนี่ยนะมันไม่ได้หายไปไหนนะมันกลับอยู่นะแล้วก็อยู่แบบเรียกว่ายั่งยืนด้วยกลับมีกําลังมากขึ้นหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะที่มีความโกรธอยู่ในใจไม่ชอบที่มีความเศร้าแต่ก็มักจะใช้วิธีกดข่มมัน รวมทั้งที่สายไม่ดีบางอย่างเช่นความเห็นแก่ตัวความเจ้าอารมณ์แต่กดข่มยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามันดื้อด้านผู้หมายทั้งหมดเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยนะอารมณ์พวกนี้มันมันไม่เบาเฉยๆนะมันร้กาดมากมันฉลาดแต่มันมีจุดจุดอ่อนนะมันมีจุดอ่อนจุดอ่อนนี่ก็พูดไปตั้งแต่ตอนต้นละมันกลัว การถูกรู้ถูกเห็นมันกลัวเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่หรือว่าเราเห็นมันเมื่อไหร่เนี่ยมันมันลาถอยไปเลยมันวูบไปเลยนะเมื่อสองวันแรกสองวัน ก, นก่อนก็ได้พูดไปแล้วนะผู้หญิงคนที่เขามาเข้าคอสปฏิบัติธรรมแล้วก็ตลอดสามวันเนี่ยใจิตใจเขารุมร้อนไปหมดเลยเพราะว่าใจมา น, นึกถึงแต่อดีตสามีที่ทรยศหักหลังแต่พอเธอได้สติขึ้นมา ได้สติตอนที่กลุมมือไว้แล้วก็ปล่อยมือรู้สึกสบายมันได้ฉุกคิดขึ้นมางทีว่าโอ้ทุกพอยึดนะปล่อยก็พอปล่อ ย, ยหรือวางเมื่ อ, อไหร่ก็สบายความรู้สึกนี้ความคิดนี้พอเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เธอได้สติรู้ตัวแล้วโอ้เราไปแบกเอาเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพอรู้ตัวว่าแบกนะหรือยึดเอาไว้เนี่ยนะมันปล่อยเลยนะ ไอ้ความโกรธเนะี่ยที่มีมันหายไปเลยสิ่งที่เธอทําม่ได้ไม่ได้กดข่มเพียงแค่รู้รู้ว่าเราเผลอไปไปแบกนะเผลอไปโกรธไอ้เรื่องที่มันผ่านไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพียงแค่รู้ทันไอความโกรธมันหายเลยเพราะว่าพอรู้ทันปุ๊บ ม, มันวางไอ้ตอนที่ทุกข์เพราะมันไปยึดเอาไว้นะพอรู้ว่ายึดอนะ ทันทีวางวางแล้วเกิดอะไรขึ้นสบายโล่งนะธรรมชาติของความโกรธเนี่ยและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันกลัวถูกรู้ถูกเข็นขณะที่การไปกดข่มมันเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเคยมีคนถามลูกปู่ดูนตุโลนะซึ่งเป็นพระลูกศิษย์รุ่นแรกๆของลุกปู่มั่นใครๆก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ มีคนถามหลวงปูว่วันนึงว่าเนี่ยหลวงปู่ทำไมแตตัดความโกดให้ขาดหลวงปู่บอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันทรรู้ทันมันก็ดับไปเองอันนี้มันเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะของวิชาชีวิตนะแตอย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยจะพยายามใช้วิธีการกดข่มเดี๋ยวว่าแต่อารมณ์เลยนะ แมทางความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยกดข่มมันก็ไม่ได้นะก็เคยมีการทดลองนะให้เอาอาส า, าสมัครมาเนี่ยให้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวผู้ทดลองก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะอยู่ในห้องเนี่ยห้ามคิดอย่างเดียวนะห้ามนึกถึงหมีขาวถ้าคุณนึกถึงหมีขาวเมื่อไหคุณกดกริ่งเลยนะไม่ทลายเนี่ยเสียงกริ่งดังระงมเลย พอถูกสั่งว่าห้ามคิดถึงหมีขาวนี่มันคิดเลยนะถ้าไม่สั่งห้ามนะมันก็ไม่คิดนะะี่ว่าแต่พอสั่งห้ามคิดเลย <c oughs> กดเกร็งกันใหญ่เลยยิ่งห้ามก็ยิ่งเหมือนกับยิ่งยู่งก็เคยมีการทดลองอย่างหนึ่งนะให้คนเนี่ยอาส า, าสมัครเหมือนกันนะลองนึกถึงสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่มันรบกวนจิตใจมาสักเรื่องหนึ่งและแบบมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก่อนนอนเนี่ย พยายามกดข่มความคิดนั้นหรือว่าพยายามบังคับจิบไม่ให้คิดเรื่องนั้นอีกกลุ่มหนึ่งตามสบายก่อนนอนนะแต่แล้วพอนอนเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ให้คนเนี่ยเขียนเกี่ยวความฝันของตัวแล้วเพราะว่าคนที่ได้รับคาสั่งให้ไปกดข่มห้ามความคิดหรือเรื่องเรื่องนั้นเนี่ย จะฝันถึงเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่มีคนไม่รับคำสั่งให้ให้ไปกดข่มคือพอไปห้ามคิดถึงมันเนี่ยมันก็ไปโผล่ในความฝันนะทันทีก็ยังมีการพูดอีกว่าเนี่ยคนที่พยายามอดอาหารนะเพราะว่าอ้วนนะน้าหนักเยอะถ้ามีการสั่งถ้ามีการห้ามว่าอย่าไปกินช็อกโกแลตนะ คนกลุ่มที่จะกินช็อกโกแลตมากเลยยิ่งห้าหมื yeah. ่นย so like ิ่งยุนะเพราะพอไปกดคมมาเนี Eller ่ยคือการให้กําลังกับมันแต่นี้คนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้หรอกนะคนไม่เคยตระหนักว่าที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันแค่เนี้ยมันก็ดับไปเองนะอย่างที่หลวงปู่ดุลว่าแค่มีสติรู้ทันว่ากำลังโกรธอยู่นี่ เพื่อนเขาเล่ายฟังลูกอันนียอายุประมาณห้าขวบวันหนึ่งก็อารมณ์ดีนะไปเก็บดอกไม้ไมาให้ยา่าดอกไม้มีสองสีสีเหลืองกับสีแดงแกก็แยกดอกไม้สีแดงใสแจกกันหนึ่งสีเหลืองใส่แจกกันหนึ่งมาให้ยา่าย่าเห็นก็โอ้ดีใจขอบคุณ แต่พอหลานไม่อยู่ย่าก็เอาดอกไม้สองสีมามาคลักกันเพราะย่าคิดว่าดอกไม้สองสีมคลักกันจะจา ก, กันจะกัำมันสวยกว่าพอหลานไม่เห็นนะโหได้เรื่องนะ้ำหวานโกรธมากนะโกรธยายร้องไห้เรียกร้องให้ยายเนี่ยมาทําให้มันเหมือนเดิมแต่ยา่าไม่อยู่นะอยู่แต่แม่ก็ร้องนะเด็กก็ร้อง แม่ก็บอกลูกว่าเดี๋ยวย่ามาก็ค่อยบอกย่าทำเด็กไม่ยอมงั้นแม่บอกว่าแม่จะทำเองก็ได้แม่จะเปลี่ยนสลับกลับให้เป็นเหมือนเดิมเด็กก็ไม่ยอมอีกนะทำยังไงเด็กก็ไม่ยอมแม่ในโกรธมากนะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังทีแรกเนี่ยเธอก็คิดจะว่าละหรือว่าอาจจะต้องตีแต่ว่าเธอก็ได้ผ่านการเรียนรู้นะ เกี่กับเด็กมาดูพักใหญ่ก็รู้ว่าการทำเชมี่ยมีประโยชน์พยายามพูดดีๆกับลูกลูกโกรธย่าใช่ไหมใช่ลูกโกรธที่ย่าเอาดอกไม้นะของลูกเนี่ยสองสีมาปนกันใช่ไหมใช่เออลูกโกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้โกรธแค่นี้หรืโกรธเท่านี้เลยเด็กบอกโกรธเท่านี้เลยเนี่ยโวโกรธเท่าฟ้าแม่แทนที่จะตกใจเนาะโกรธว่าลูกโกรธย่าเท่าฟ้า แม่คุณอาจจะอาจะห้ามอย่ากโกรธนะโกรธไม่ดีโกรธย่าไม่ดีเธอกรับรู้ไว้แล้วเธอก็บอกอ๋อแล้วงั้นเดี๋ยวจะไปบอกย่าให้นะว่าลูกเนี่ยโกรธย่าท้อฟ้าเลยชักพักนี่เด็กนี่สงบเลยนะสงบเลยแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปวิ่งเล่นเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความโกรธมันหายไปจากใจเด็กเพราะอะไรนะเพราะว่า สิ่งที่แม่ทำก็คือทำให้เด็กมีสติรู้ตัวแม่ทำตัวมันก็เป็นกระจกนะเป็นกระจกให้ลูกได้เห็นความโกรธของตัวพอได้เห็นปุ๊บนี่เห็นก็รู้ตัวเลยว่ากลวเองโกรธเพราะตัวว่าโกรธนี่มันหายเลยมีผู้ชายคนหนึ่งได้ฟังเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความสงสัยว่ามันจะแก้มันจะแก้ปัญหาของลูกชายได้ไหม ลูกชายก็ไว้ใกล้ๆกันสี่ขวบแต่ว่ามีปัญหาอีกแบบหนึ่งคือเวลาจะอุ้มลูกเนี่ยข้ามข้ามเรือนั่งเรือข้ามแม่น้ำเนี่ยจะต้องลงโป๊ะพออุ้มลูกเนี่ยลงโป๊ะเนี่ยลูกจะร้องเลยร้องเอะร้องโวยวายตัวเกรง็งแล้วก็บอกให้พ่อเนี่ยนะรีบนะ ขึ้นฟังนะกลัวมากเลยเป๊เนี่ยพ่อกับพี่อธิบายลูกว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวพ่ออยู่กับลูกพ่อจับตัวลูกไว้แน่นเลยไม่ต้องกลัวลูกปลอดภัยแน่แต่เหตุผลไม่เคยทําให้ลูกหายกลัวเลยที่จริงไม่ใช่กับเด็กคนอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะผู้ใหญ่ที่กลัวตุกแกเนี่ยจะให้ผลยังไงว่าตุกแกไม่น่ากลัวไม่มีพิษไม่มีภัยไม่เคยหายกลัวเลยต้องเป็นลูกผัวมันถึงจะหายกลัว อันนี้ฟุ้นเลนคือพ่อพูดยังไงเนี่ยนะให้ผลยังไงเด็กก็ไม่เคยหายกลัวเลยพอพ่อเนี่ยได้ฟังเรื่องเนี้ยพ่อตรงนี้นเป็นไปได้เนี่ยลองดูใชวันหนึ่งก็อุ้มลูกเนี่ยลงโป๊ะเลยนะลูกก็เอาเลยนะร้องกรีดสั่นตัวนะไม่เรียกว่าจะดิ้นให้ได้ไม่ไม่อยู่โปะ๊ะพ่อไม่โกรธะพ่อแทนที่จะห้ามลูกอย่า ก, กลัวพ่อก็ถามว่าลูกกลัวใช่ไหมกลัว หายกลัวนี่มันเป็นยังไงหัวใจเป็นไปยังไงใจมันเต้นเร็วลมหายใจมันเป็นยังไงโอ้มันเด็กอธิบายได้งหมดนะมันมันถี่มันสั้นมันหายใจไม่ทั่วท้องแล้วเนื้อตัวเป็นยังไงมันเกร็งกระจายเป็นยังไงกลัวมันหนักสักพักเด็กก็นิ่งแล้วจู่ๆเด็กก็ปล่อยมือพ่อให้ปล่อยปล่อยมือจากตัวพ่อก็ลงมาวิ่งเล่นอยู่มันโป๊้เลยหายกลัวทันทีเลยสิ่งที่พ่อทำมาเลยก็ พ่อคือทําให้ลูกหันมาเห็นกายและใจหันมารู้กายรู้ใจแทนที่จะเป็นนึกถึงไอ้โปะเนี่ยก็มาดูกายดูใจก็คือวิธีการทําให้มีสตินะทีแรกมารู้กายก่อนเสร็จ แ, แล้วก็มารู้ใจคือมารู้ความกลัวเห็นความกลัวเนี่ยความกลัวก็เหมือนกันนะมันกลัวกลัวการถูกรูถูกเห็นหรือการรู้ทันรู้ทันด้วยอะไรด้วยสตินะมันไม่ใช่ว่าความกลัวอย่างเดียว น, นะความอยากก็เหมือนกันความอยากมีเพื่อคนร่ายฟังนะ อันนี้ก็สิกบปีมาแล้วนะวันลูกสาวยีสิบสองกลับมาบ้านบอกแม่อยากได้ของเล่นอยากได้มากเลยโหลูกนี่อาการออกเลยอะไรอะไรที่ลูกอยากได้ไมโครโฟนสมัยนี้เดี๋ยวไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะตัพส์มมือถือก็ยังแพร่หลายอยู่ใ น, ในวงจำกัดแล้วก็ยังแพงอยู่สมาร์ทไ อ, อ้ไมโครโฟนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าพอกด ปุ่มแล้วเนี่ยมันร้องเพลงเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยกาลังร้องเพลงสิบสองปีที่แล้วอ้สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเด็กก็มีความสุขแค่เนี้ยนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้ไมโครโฟนแบบนี้เด็กควางทิ้งเลยนะไม่ตื่นเต้นละแต่เมื่อสิบห้าปีก่อนโห้มันเด็กอยากได้มากแม่ก็ถามว่าเท่าไหร่สี่ร้อบ้านนี้เขาค่อนข้างจ ะ, ะประหยัดในการใช้เงินนะแม่ก็บอกสี่ร้อยมันแพงไป นะลูกก็ยังอยากได้รบร้าให้แม่ซื้อปกติแม่เนี่ยถ้าเจอแบบนี้ก็จะทำสองอย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งซื้อให้เลยสองไม่ซื้อให้แต่ว่าแม่คนนิ้แกก็มีจิตวิญญาเมื่อรู้ว่าลูกอยากได้มากๆก็บอกว่างั้นแม่จะซื้อให้นะแต่ต้องใช้เงินหนูนะโดยมีเงื่อนไขสองข้อหนึ่งแม่จะหักเงินค่าขนมของของหนูเนี่ยวันละครึ่งหนึ่งเก็บใส่กระปุกเอาไวจ้จนครบสี่ร้อยข้อสอง ทุกเย็นก่อนกลับบ้านให้หนูไปที่ร้านนั้นไปดูไมโครโฟนแล้วก็ดูสังเกตดูใจด้วยดูความอยากที่มันเกิดขึ้นขณะที่เห็นไมโครโฟนด้วยลูกก็รับปากแล้วก็ทําตามที่แม่ว่านะทุกเย็นเนี่ยก่อนอภรโรงเรียนเลิกเนี่ยเธอก็จะไปที่ร้านเนี่ยแล้วก็ไปดูไมโครโฟนแล้วก็ดูดูใจดูความอยากทํำอยูย่เนี่ยสามวันวันที่สี่ก็มาบอกแม่ว่า ไม่เอาแล้วแม่ไอ้ไมโครโฟนเนี่ยเอาทำไมอะ่ะเบื่อทาไมถึงเบื่อล่ะก็มันเห็นเห็นอยู่ทุกวันนี่มันก็เบื่อแล้วเอาสี่รอยไปซื้ อ, อยังอื่นดีกว่าความอยากมันหายไปเลยอยากเพราะอะไรนะอยากเพราะมาดูความอยากเด็กเนี่ยสังเกตความอยากของตัวทำตามที่แม่แนะนำมาดูความอยากเห็นความอยากไอ้ความอยากเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วคือ จุดอ่อนขอมันคือมันกลัวถูกรู้ถูเห็นเพราะเห็นมันไปบ่อยมันก็ฟอรลงไปอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้คือธรรมชาติของมันที่เราควรจะรู้นะความหลงก็ดีรวมทั้งอารมณ์ที่มันเป็นลูกน้องของความหลงยังความโกรธความกลัวความอยากนะความเศร้าพวกนี้แม้ว่ามันจะมีอุบายมันจะมีความฉลาดเป็นนักช่วยโอกาสแล้วก็มีอำนาจในการบงการจิตนะรวมทั้งมีความดื้อด้านเหลือเกิน แต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยมันมีนมันกลัวสติมันกลัวสติเข้าไปเห็นมันมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นเพราะนั้นต้องควรนะถ้าเราถือว่าไอ้ความหลงเป็นปัญหาไอ้ความอารมณ์อกุศลนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่พบความสุขความสงบเย็นเนี่ยต้องหมันสร้างตัวรู้หรือสติซึ่งเป็นคุณสมบัติในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่ลืมตัว แล้วจะทําให้เรามนะีเครื่องมือสําคัญนะในการรับมือนะกับอารมณ์เหล่านี้มันเป็นภูมิคุ้มกันจิต ท, ที่วิเศษมากร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่คอยสู้กับเชื้อโรคใจเราก็มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มจิตนะที่ชื่อว่าสติซึ่งเราต้องสร้างทําให้มีมากขึ้นและสติจะเทไปเพิ่มตัวรู้เพิ่มกําลังให้ตัวรู้ให้มีอนุภาพนะจนสามารถจะรับมือแล้วก็ เล่นงานจุดอ่อนของอารมณ์พวกนี้ได้คำนี้พูด ก, กันเท่านี้กับ